ก่อนที่จะพังคำอธิบายอย่างอื่นในตอนต้นนี้ขอทุกคนจคิดตามความเป็นจริงไอ้ความเป็นจริงน่ะคือว่าเราเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นมันคื อ, อความเมื่อเกิดแล้วก็แก่ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็มีการป่วยไข้ไมส่สบายมีการพัดพลาจากของรักของชอบใจ มีความปรารถนาไม่ขยัสมหวังแล้วก็มีความตายบนดีสุดขอทุกคนงอย่าลืมกฎธรรมดา น, นี่ถ้าเราเลืมแล้วเราหาความสุดไม่ได้เราจะไม่พ้นความทุกข์ในขณะเวลานี้ก็คิดถึงความจริงด้วยปัญญาทั้งปัญญาและสัญญาเราก็เห็นอยู่แล้วสัญญาแปลว่าความจํา ปัญญาแปว่าความรู้สึกอย่างเราเลวก็มายควรู้สึกตามที่เราเห็นตามธรรมดาไม่ใช่ว่าการเกิดขึ้นแล้วทุกคนเป็นทุกข์ความหูก็เป็นทุกข์ความเจริหายก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ในสมัยก็เป็นทุกข์ ความประกอบจิตการงานนันต่างมีความเหนื่อยยากก็เป็นทุกข์ความรจถนาไม่ค่อยสมหวังก็เป็นทุกข์ความตายยังเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์และความทุกข์ของเราไม่มีแต่เทา่านี้ถ้าจิตของเราชั่วนยมความชั่วเคยชอบเราเมื่อกินห้าข้อใด้คนหนึ่ง ว่าตายจากความเป็นคนแล้วก็ทุกต่อคืทุกนรกนุระดักทุ ก, กระดนบเศษทุกระดับุรกายทุกรดับส ต, ติฉันหลังคุ้นมาเป็นคนโทษที่ละเมิดสิทธห้าพอทุนหน่งลรเมิดเป็นค น, คนอายุสั้นกันตายคุงมาจากคนคุนอายุยืมม น, นออยยหน่อยเราก็มีการป่วยไข้มาสบายคือเรื่องเบียเดเบียน ข้อล้วบื่อ 15, ขอึ้นห้าข้อที่สองมีสมบัติต้องเสียหายไปไม่บ้านบ้างรวมพักทุบบ้านทางบ้างนานท่วมสมบัติเสียหายบ้างถูกโจรลักโจขโมยบ้างโทขอ้อที่สามคือการในคนที่อยูน่บุกครองได้ด้านลูกในุกครองได้ด้านว่ายากสอนยากไม่อยู่ในอวาว่าเราก็เป็นทุกข์โทษในการดึงสุราเมรัย ทำให้เราเป็นคนเ้จะโรคปวดศีรษะบ่อยบ่อยบ้างเป็นโรคศีรษะบ้างเป็นบ้าบ้างดีไม่ดีมาโทษกันหลายแล้วนี่มันรบ ก, กวนร่างกายนะักจิตมันก็เป็ทุกข์จิตใจเศร้าหมองก็กลับลงมารบกวนถ้าจิตใจของเราดีมีความในสุขนิยมในสินห้าปฏิบัติสินห้าครบถ้วนมีความคเคารพเคารพอุตตเจ้าเป็นพระธรเพราะอาริยสงฆ์ครบถ้วน จิต ใ, ใจอ่อนหน่อยเราก็ไปเป็นเทวดากําลังใจเข้มแข็งแล้วก็ไปเป็นพรหมถ้ามีปัญญามากเราไม่ยังมีกายเกิดสัมมนุษย์เป็นเิวดาหรือผมเราก็ไปไปเป็นไปสันสนิพันธ์ฉะนั้นเวลานี้ของบรรดาท่านพุทธบริดส์ ท, ทุกท่านก่อนจะใช้อะไรอย่างอื่นให้ตัดชินใจว่ากายเกิดเป็นคนนี่มันเป็นทุกข์จะไม่ขอทอี่บายมาก แต่แค่นี้ไม่สนใจงู้เกินไปก็ไปตามทางเถอะในเมื่อมันทุกอย่างนี้จะได้อยากเกิดอีกก็สแสดงเราพอใจในทุกถ้าเราพอใจในทุกทางทุกจะเกิดขึ้นจังหวะในใครก็ช่วยทำไมท่านก็ช่วยได้พระเจ้ า, าจออ ก, ก็ช่วยไม่ได้เราด้หาทางตัดทุกเอาเองให้ตัดชินใจตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นคนคนชั้นสูงสุดของชาวโลกคือพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้บหารกสัตธ์องคไหนที่มีความเป็นสุขจริงเต็มด้วยความทุกข์จริงของคนคนธรรมดาคนที่ตามที่สุดคุยยาจบ ก, ก็เต็มด้วยความทุกข์แล้วก็ตัดสินใจว่าการเกิดเป็นคนอย่างนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกถ้าร่างกายนี้ตายเมื่อไรเป็นคนไม่เกิดแล้วเราอยากจะเป็นธรรมดาหรือผมก็ใช้ปัญญา ว่าเทวดาก็ดีพรก็ดีมีความสุขพระเทวดากับพรมมีความสุขสต่มติก็สุขไม่นานหมดมนุษย์น้ำบาลมีก็ลงมาหาความทุกขใหม่เพรชื่อว่าเราก็ยังโง่อยู่ขอทุกคนตัดสิ้นใจคิดว่าการพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งสามพระนี่เป็นปัจจัยต้องการให้เราพ้นทุกข์เึิไป น, นิพพาน ในเมื่อท่านมอบสมบัติผลิพานให้แก่เราถ้าเราไม่ต้องการเรามีความทุกข์เราโทษใครก็ไม่ได้ถ้าเราต้องการชาตินี้แล้วก็ได้ชาตินี้แน่สมบัติผลิภานที่พระเจ้าทรงให้แก่เราก็คงอนุนทานบารมีทานเป็นปัจจัยตัดความโลภ ก, การเจริญพระกรรมฐานวันนี้ต้องใช้เงิน เงินที่ให้ก็ไม่จําเป็นเท่าไรก็ได้เป็นทัศนทานอุเรกามีเงินจำนวนนี้ครูก็ใช้ไม่ได้ทักเรียนก็ใช้ไม่ได้แคต้องเข้าส่วนกลางบนส่วนของสงฆ์เป็นการตัดโลภความโลภชินเป็นปัจจัยชินกับสมาธิเป็นปัจจัยตัดความโกรธเราต้องเป็นผู้มีชินบริสุดตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าถึงวันตาย ไม่ใช่จะมาสมาทานหลอกพระว่าวันนี้ฉันต้องการศีลเมื่อสมาทานสมาทานแปลว่าการศึกษาว่าศีลมีกี่สิขาบทไมนน่ว่านเลย่ปเลยเองแค่ห้าก็พอห้าสิขาบทนี่พอเป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระสีทาคามีก็ได้ถ้าเรสาสาธิศห้าในครบถ้วนสมาธิก็เกิด อันนี้เป็นปัจจัยระนะักความโกรธอย่างอย่าได้อย่างเบาบางแล้วก็ตัวปัญญาเป็นตัวตัดความหลงให้ตัวปัญญาจะไม่พูดแล้วไปพูดกันทีหลังจะต้องสือวันนี้ขอทุกคนจงใช้ปัญญาว่าการเกิดมันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกขอโรดใช้มีความชั่วของกินเหล็กชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย จะใช้มันหมดหรือไม่หมดก็ช่างมันจะไม่ยอมใช้มันอีกถ้ากิเลสเก่งจริงให้ตามเราปฏิภานแค่สวรรค์กิเลสมันก็ตามไปไม่ได้แล้วเราจะส่งสินให้บริสุทธิ์เราจะไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของโคกุลคนอื่นกละย้อนดักถือกบถือก็ไตรสราคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แต่ชิ้นใจ ย, ยังไม่ได้แน่นอนนะ หลังจากนี้ต่อไปทุกคนจงละความชั่วห้าประการในจิตเสียความชั่วห้าประการนี้ ล, ละเบกขาดไม่ได้แต่เวลานี้ต้องละให้ได้เฉพาะเวลาที่ปฏิบัติเพราะเราต้องการเป็นคนดีต้องการเป็นคนพ้นทุกข์ความชั่วห้าประการเวลานี้ที่เราจะต้องไม่คิดถือมันก็คือเนี่ยกามมาฉันทะ จิตที่มีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะสิงหอมรสอร่อยสัมผัสหว่างเพศทุกประเภทเฉพาะเวลาที่จเจริญกรรมฐานวางชั่วคราวที้งมันไปจัดใจอีการณีหนคือความไม่พอใจคนรู้สัตว์รือวัตถุรู้เสียงเราจะทิ้งชั่วคราวใครยังไม่เสียเอะอะวุยนวายอะไรก็ตามฉันมีหน้าที่ภาวนาแบบไหนชื่อภาวนาแบบนั้น ตัวใครก็ตัวมันเราก็เราเขาก็เขาที่ก็มีเสียงเออวายเขาม่ได้ดแข็งยันไม่ได้กําลังเขาปรีติ บ, บ้างฟีเจ้าเข้าสิงไมในการก่อนบ้างคนที่มีโรคไส์ศาสตร์ปฏิบัติอย่างนี้ไม่เกี่ยงข้างโรคก็หายจากกายพรักษาโรคไส์ศาสตร์จดีมากถ้าเขามีโรคไส์ศาสตร์ติดตัวมาเขาก็ต้องรอง้องเพรามันถูกหยดขั้นแต่เมื่อโรคหายไปเขาก็ไม่ร้อง ถ้าเวลาที่มีเสียงร้้ามาก็เป็นเรื่องของเขาอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงปีติที่เขาไม่เคยเห็นเทว ด, ดาเขาไม่เคยเห็นพมะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามาก่อนเห็นเกิดปีติทนไหวก็แบ่งเสียงออกมานี่ก็ถือเป็นเรื่องของเขาเราจะไปยุ่งต้องถืว่าตัวเขาเรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปการปฏิบัติแบบนี้ย ส, สงบสั่งมาก เมื่อสมัยปีศูนแปดปุถุวสการมีทิสเตอร์ทูธธรรมทานห้าท่านเขาซ่อมข้างโบสถ์ตีปิงปังปิงปังพูดกันก็นมาพูดเยี่ยเรื่องแต่ว่าคนที่ปฏิบัติทุกคนก็สามารถทำได้หมดนั่แสดงกำลังใจเขาเข้มแข็งเราต้องทําใจเข้มแข็งแบบนั้นไม่ใช่ดีเสียงเข้าปั๊บปุ๊บป้ายปดมาปนวายขึ้นมาตกใจใช้ไม่ได้เราก็จะเป็นเยี่ยมพระอรุต่อไป ต้องตัดชิ้นใจว่าตัวใครก็ตัวใครเข้าไปยังไงเป็นพวกเราเรามีหน้าที่ภาวนาสำหรับรานาก็ไม่มีอะไรพนมพระธาตุตามเดิมเวลาภรวนาจริงๆเริ่มต้น ง, งให้ลมหาใจเขาออกดึงนิดหน่อยก็ได้แต่ไม่ต้องดึงมาก <c oughs> หรือใครจะไม่ใช่ลมหายใจเลยก็ได้เพราะเวลาที่จิตจะลุดออกจากร่างถ้าดึงลมหายใจมากเกินไปจิตมันไม่ไป <c oughs> ไว้ภาวนาไปตามปกติที่เวลาที่ภาวนาตามบาดเชื้อบัติบอกว่าถ้าคนใหม่จะเห็นมีแสงพุ่งลงจากเบื้องบนสว่างจ้าลงมาแลมีแสงพุ่งกึ้นจากเบื้องต่ำขึ้นไปแล้วมีแสงสว่างธรรมดาหน้าว่างกลางอากาศให้สว่างเต็มที่พุ่งใจไปกลางแสงแล้วก็จะไปได้ทันที ถ้าถามว่าไปไหนตัดชิ้นใจขัง้งแรกคือพระจุลามุนีเจดีสถานตอนนั้นให้นั่นถึงไ้พระพุทธเจ้าแล้วจะพบพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นจะไปทางไหนก็ขอขอรัตนพุทธเจ้านำท่จะํำไปสำหรับคนที่เคยได้มาแล้วแต่ว่ามีการย้อนก่อนเขาไม่เขจะผ่านไปท่านที่ยังไม่เคยได้ชายมาก่อนไม่เคยฝุดขึ้นอันามากน ทานเฮียข้าวเป็นชาติสี่หยาบจะมีการเอะตึงตังคงความตี อ, อกทุกลมอันนี้เป็นของธรรมดาประชาตยากแต่ว่าจะมีการเอมือกระแทก อ, อกหนักๆนะเวลาเขาเป็นมือตีปั๊บปับป๊บปับส๊สองสามทีเลครูผู้นํานะอย่าเพิ่งรีบไปจับมือสมาธิยังไม่ทรงตัวถ้าไปจับมือวางข่าวสมาธิจะเคลื่อนเขาเสียผล ไหวให้มันตีโลกพับพับพับพับท่าเนี่ยคนไว้จริงเพราะจับมือปั๊บวั๊บจับมือต้องเข้าใจจับแล้วก็วางที่เข่าแล้วก็มือจะตีเข่านี้ใช้ได้จิตทรงตัวถ้าวางที่เขาเมื่อก็มือขึ้นมาพนมใหม่สำหรับข่านที่ได้มันแล้วในการก่อนที่แรกก็ลงมือเหมือนกันต่อไปถ้าเมื่อยมือก็วางได้ใช้อารมณ์เดินเอานาใช้อารมณ์เดิน จิตพเริ่มค้นต้นทักจับพระรูปโฉมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าชัดเจนแจ่มใสแสงที่เขงเห็นก็คือพระศมีของพุทธเจ้าคนใหม่สมเระคเก่านี่ยเห็นหลวพุทธเจ้ารงเห็นหลวงพุทเจ้าชัดเจนขอรัตนมางกรบารมีอรัตนบารมีท่านว่าขอบารมเห็นชัดเห็นแจ่มแจ่มใสนี่กวาปกติให้เต็มกำลังถ้าทูลพระองค์สมเด็จพระสัมมาัมพวเจ้าเราจะไปไหนก็ไปกันนั้น นี่วิธีปฏิบัตินี้เท่านี้นะตอนนี้ไปกัมมรดาทันพุทธบริษัททุกท่านทำว่ากระดาษไว่ควจะเรียกว่าหน้ากาศหน้ากาศคืเครื่องแบบผีวุรีเกเขาก็ดาษ เ, เขาเขียนชื่อพรพุทเจ้าวนะันัโมวุทายะคนจะเขียนคนจะเรียกชื่อว่าข้อเจ้าห้าพระโอให้คำว่าหน้ากาศไม่มถูกนะใช้จับไม่ถูก ตอนนี้ไปเอาเอาหนุมูธัญภูเจ้าหับลงปิดหน้าพนมูมรุ่งทองนาต่อไปได้การจเจริญพกรรมฐาน <c oughs> ก็คอยตั้งใจต้ำทัเพื่อความดีแล้วก็ความดีทย่จะจะสอนให้ได้ทั้งหมดจริงๆแค่แสงคนเดียวเท่าพราะว่างานเขาฉันในที่นี้ เบ้นไว้แต่คนที่มาจากเทศสายอื่นแล้วก็มี บ, บริเวณใกล้เคียงกันสามารถจะตามกันไปได้ความดีที่นแนะนําให้คือว่าต้องการให้ทุกคนค้นจากอบายภูมิอบายภูมนั้มีสีคือนรกเศรษฐกิจภูรกายศาสนาถ้ว่าใครปฏิบัติได้ก็พ้นได้ปฏิบัติไม่ได้ก็พ้นไม่ได้ แล้วก็ขอทุกคนตั้งใจเอามือลงก็ได้นะสิไม่เมื่อใะสิเรื่อง้เกินไปเวลากังเามือลงก็ได้โยมไม่ต้องลงมือนะอันนี้ยิ่งเหนื่อยแล้วก็ต้องมีความชิดว่าการเกิดจะมรุตแล้วถ้าเรายังต้อยเราต้องใช้หลังลงนรกแล้วขาดพ้นมากเกินไปเมื่อการลงนรกแล้วกลับนี้ไม่จะกลับมาอีก ถ้ากรรมหนักที่แขงกลับยังไม่ถึงมนุษย์มันนานเกินไปการเกิดมาเป็นคนทางที่ดีต่อไปคนจะเป็นเหตุเป็นีลวดาเป็นอย่างน้อยถือไี้ฉันั้นับไปป็นพรมแต่ว่าการไปสองจุดนี้ก็ยังไม่ถือว่าดีเพราะว่าเป็นความดีโชคลาวทางที่ดีให้ตัดสินใจปริพันธ์เลย <c oughs> ถ้าคนผู้มาทุกคนนี่ถ้ามาด้วยความเจ็ยนใจไม่สักจะว่ามาดูเขาหรือสักว่ามาลองคนที่มาด้วยความเจ็ยนใจจริงๆคนนี้เป็นคนที่มีบารมีเต็มแล้วว่าคนนี่มีบารมีเต็มที่ฉันจะช่วยได้แค่สาคนเศษแต่เพราะกลุ่มพวกเราจะหาว่าคนที่มาลองก็ดีหรือเปล่าลองลองดูบ้างมาดูเขาบ้างลองทําบ้าง จะสังเกตได้ว่าประเภทมาลองแล้มาดูนี่พูดในรูปภาษาคนพูดแล้วไม่รู้จักจำจำแล้วก็ไม่คิดตามพูดนี้ไม่มีโอกาสเรามาสักกีแสงครั้งก็ไม่มีโอกาสพูดดิจิตามกันมนาจะใช่ก่อนจริงๆพูดนี่มีบรงเวงีเต็มหมดแล้วก็มีโอกาสปฏิพานชาตินี้เหมือนกันทุกคนที่ขอทุกคนตั้งใจทำตอนนี้ จะไม่ได้นะข้าจะถามว่าบาปเอโกเสลมนี่ทำมาแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาการเกิดมาเป็นคนจะไม่มีบาปเป็นเอโกเสลมนันี่ยแล้วก็จงอย่างลงืมว่าพระอาหารหันตุกองที่นิพพานไปแล้วก็ดียังไม่นิพพานในประเทศไทยมีหลายร้อยองค์เวลานี้พระอรหันต์นประเทศไทยมีหลายร้อยองค์ แค่พอไปสมิธายายเกินหกสิบองค์ใครรู้จักมาไม่รู้จักก็ชนไปหันตายไปเลยอยากเสื้อซาได้ปรมานี้ไงถ้าหันอยากเดินเสื้อซาเราทนตายไป็นหลายองค์แล้ ว, ลวเพราะเดียเจ้าขั้นต้นตอนกันโสดาบันเช่นไปนี่ก็มีนับหนึ่งเวลานี้นะแต่ว่าพวกเราไม่ศิจะเป็นไหยพวกเราก็ไม่สิษ มีสิทธิ์ตั้งแต่โซดาสีทาคาราคารายทั้งนี้ก็เนื่องว่าเราจะไม่ใช่ปัญญาของเราให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ทันติความอดทนต่อสู้กับความชั่วแล้วก็ไม่ใช่วิริยะว ร, รมีเข้าไปเฉิค่ากับไอ้สัปปรูสกิเลสยอมให้กิเลสมันเป็นเจ้าหัวใจอันนี้ก็ไปเรื่องของคนก็ช่วยนะอะไรไม่ได้ ให้ขอทุกคนยังมีความเข้มข้นการปฏิบัติที่จะได้ผลก็คือหนึ่งฉันทะมีความพอยใจในการที่เร า, าจะปฏิบัติสองวิทยะมีความเทียนเพราะการปฏิบัติทั้งหมดต้องมีความเพียนเป็นเครื่อต่อสู้การทํางานทุกอย่างตง้องมีอุปสรรคถ้าเราขาดความเพียนเพียงอย่างเดียวไม่มีงานอะไรที่แมนผล สามจิตตะอาจิตเจ็บจอเคยมุ่งไว้เสมอไม่ได้เข้อความดีสี่อังสาใช้ปัญญาใช้ควรว่าเราทํานี่มันถูกรถกิจครูเขาสอนได้มายัางไรไอการครูสอนมายัางไงนี้ต้องจำถ้าคายความจําแค่อย่างเดียวก็เร็เกินแต่ลึกที่ความเร็วคายความจำไม่ได้ในมันเร็วที่สุด ถ้าจำได้ไม่เข้าใจในทวยขาดปัญญาก็รู้ความว่าอิทธิบาทสี่ที่พระเจ้าทรงรับรอง่็งานทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีซึ่จะมีผลสำเ็จได้เพราะเหตุสีตปรการคือหนังชั้นพระมีความพอใจสองวิริยะมีความเพียรสามจิตตะออิิใจจิจ่จจอไม่ละวาง ใจดีมังสารรยแค่ปัญญาใข่ส่วนตัวนี้สาคัญตอนนี้ก็จะพูดถึงแนะนำการปฏิบัติการปฏิบัติตามแบบที่มอกต้องเ้นบ้างต้องตีอกชกลมบ้างนั่นเป็นเรื่องของคนที่กำลังชาดเมตไม่ปรากฏมาในการก่อนเพราะ่การฝึกเป็นกำลังนรนฝลกพื่อวอิญญาหก ต้องขึ้นได้เป็นยังคู่ชานสีรูปร่างหน้าตาชานสีเป็นไงอย่าไปสนใจแค่รู้จักชื่อก็พอในเวลาปฏิบัติจะไปสนใจให้สนใจแต่เพียง ว, ว่าเราทาได้หรือไม่ได้ถ้าหากว่าคนที่ไม่เคยได้ทําสมาธิาในนาการก่อนเลยถ้าไม่เคยมีทางสมาบัติก่อนอย่าม่จิเป็นมีการตีอกทุกลม เส้นปรับปรับเต้ น, ต น, ต น, ต น, ตตนไปเต้นไฟเต้นมาบ้างเพราะฉะนั้นอันดับแรกจิตเข้าถึงชานยากพอจิตเข้าถึงฌายละเอียดแล้วก็เง่ายสุดที่ส่วนมากที่นักปฏบททิบัติมาก็เคยได้ได้ได้ประเภทที่สุดแบขึ้นกําลังมาก่อนแต่ขึ้นกําลังที่สุดมาแล้วก็เป็นชานสี่อยู่แล้ว การที่เราไปสุลาพระุลามันีได้ไปสวรรค์ได้ไปโลกปิพาน์าได้ไปไหนได้ไปไหนได้นั่นคือฌานสี่ถ้าเวลาเราไปท่าทางของเราก็มีไปแบบเงียบๆนัไนเป็นฌานสี่ละเอียดอยู่แล้วฉะนั้นพวกนี้ไม่มีการเต้นไม่มีการสั่นไม่ไม่มีความจําเป็นต้องรอประเภทนั้นคือเวลาที่ปฏิบัติจริงให้คําตามเดิมจับพระลูประหลงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแก่สายตากํ า, าลัง ให้เต็มกำลังจริงๆคือเห็นให้ชัดให้เจ็บตรงตัวถ้าขอบารมีหุ่นเจ้าว่าขอเห็นชัดเห็นเจ็บ เ, เต็มกําลังของอดัญาตุญญาคันนี้หลังจากนั้นก็ไปตามจุดที่เราเคยไปในสมบัติคนเก่าสมบัติท่านมาใหม่ที้ระมีามจะเป็นอาการมาแสดงออกอาการแสดงออกในครูก็ต้องเข้าไปจอยเข้าไปถามสมบัติท่านผู้เก่าครูเข้าไปจอยเข้าไปถามก็ได้ ในวิธีปฏิบัติธรรมดาแยกโยมพุทธวิสัชอันดับแรกให้ใช้กำลังใจให้แน่นอนนั่นคือว่าเห็นตามความเป็นจริงว่าการเกิดมาเป็นคนมันเป็นทุกข์ว่าการเกิดเป็นคนนี่ไม่มีอะไรเด็นสุขจริงมีแต่ทุกข์อย่างเดียวถ้าเรามีปัญญาแค่นิดเดียวแล้วก็รู้ว่าทุกข์รู้ข้าวมันก็ทุกข์ การทํำมาให้ชิงก็ทุกการกระทุกระทั้งการมณ์ที่เราไม่ชอบใจก็ทุกความแก่เข้ามาบียดเย็นก็ทุกความตาสนามไม่สมหวังก็ทุกการป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกความทัดท่าเด็กของรักของเสียใจก็ทุกความตายก็ทุกยังก็ขอให้ทุกคนจะไม่ว่าสมบัติแห่งการเกิด เมื่อเราเกิดมาแล้วสมบัติที่เราจะควรได้แน่นอนคือหนึ่งความแแตติดตามมาทุกวินาทีเราต้องแแ่แน่ขณะที่ทรงตัวอยู่ความป่วยไข้ไม่สบายมันต้องมีถ้าขณะที่ทรงตัวอยู่ความปรารถนาที่เราต้องการสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างมันต้องมีการพัดพลาดจากของรักของเทิดใจต่อแม่ไปที่รักเทนิกรบ ที่เราต้องการพุ่งขันยังไงไงท่านก็ต้องตายจากเราคนที่เรารักคนที่เราชอบก็ต้องจากกันทั้งเป็นบ้างจากตายบ้างของที่เรารักของที่เราชอบต้องสลายตัวไปบ้างต้องไม่ดีสุดชีวิตเาต้องตายนี่สมบัติคืงการเกิดเกิดแล้วทุกคนจะต้องได้สมบัติอย่างนี้เหมือนกันทุกคนหมด อาการอย่างนี้ขอทุกคนให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดจะทํำจิตวันไหวความแก่เข้ามาถือว่าทัานทราบแล้วว่าเธอแก่ให้คิดไปทุกวันวเรามันต้องแก่ถ้าความตายจะเข้ามาถึงก็คิดเถ้ะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฉันทราบแล้วเธอจะต้องตายจะวันไหวตัดชินใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาก็าตามใจเราไม่พ่อมัน เราจะไม่สะดุ้งหวาดวันต่อมันสะดุ้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ยังไ ง, ไงก็จะเป็นตาม น, นั้นสิ่งใดทีด่แก้ไขไม่ได้ไม่ควรยังแสดงการหวาดกลัวให้มีความหวาคกลัวอย่างเดียวชาตินี้เราจะไปนิพพานได้หรือไม่ได้ถ้าเราเกรงว่าจะไปนิพพานไม่ได้ความตั้งใจจริงมันก็มีขึ้นต้องเอาให้ได้อารมณ์ขนิพพาน แค่ลมขอบุคคลนี่ปฏิภาณแม่เขาทำยังไงถ้าไปว่าฉันทังยีเล็กใหญ่แล้วก็ไม่มีโอกาสหนักเกินไปต้องเริ่มต้นตั้แต่เล็กดูรอมรอมณมาสืออารมมโซดาบันเพราะโซดาบันจริงๆที่ฉันเป็นขนะาเวลาผึกเขาฝึกกันยังไงช่างไม่ต้องไปดู จำไหมว่าคนที่เป็นไมโสดา บ, บันจริงๆก็าส่งอารมณ์แบบนี้ก็ตรงเลยนะไม่ใช่จําจําเรื่มเรื่มทาได้บ้างไม่ได้บ้างเนะอารมณ์ที่ส่งตัวจริงๆก็คือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าในความจริงใจเคารพพระธรรมวยความจริงใจเคารพพระอริยสงฆ์ในความจริงใจคารวะเมสินห้าบริสุทธิ์แน่นอน จิตมีความหวังอย่างเดียวถ้าตายเมื่อไรเขาปนิพาน์านเมื่อ น, นั้นพระโสดาบันไม่ใช่นี้ถ้าหากว่าทุกคนสามารถทรงจิตตรงของพโสดาบันได้แล้วก็ระหวังปานิพันธ์ในชาตินี้ให้ทําใจแบบนี้คิดว่าขึ้นชื่วีวการเกิดมนุษย์ก็ดีการเกิดมนุษย์เราขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ถ้าร่างกายนี้ตายแล้วเมื่อไรพังเมื่อไรอย่าไปถือว่าตายให้ถือว่าพังถ้าร่างกายที่พังเมืไรจุดที่เราจะไปจุดเดียวนั่นคือ น, นิพพานเราจะไม่ยอมแหวะเทวดาได้ผมถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้พระระวัตถ้าถึงอายุไขเกิดถึงเมื่อไรจะตายเมื่อไร่วันนั้นจะเป็นพระอราหันต์เป็นพระอราหันต์วันนั้นแล้วก็ในคันวันนั้น อารณนี้ขอทุกคนทรงตัวตั้งแต่เวลาีไม่บาจะตายเท่านี้ทุกคนทุกทุก์ังวิธีปฏิบัติวันนี้ก็ขออดาญาตโยมพุธบริษัทใช้คำาวนาวันมะคะาธาว่าเวลาพาวนาจริงๆอย่าตั้งใจคิดว่าอยากได้อย่างโน้นอยากได้อย่างนี้ อยากจะเห็นชัดอยากจะเห็นเจนอยากจะไปโน่นอยากจะไปนี่ขณะที่ภาวณาถ้าอยากอยก็ยไม่มีทางได้ไปเพราะว่ากิเลสตัวนี้มีตัวร้กาศมากแค่เขาบังางใจถ้าภาวะอันใดเกิดขึ้นเกิดความสงสัยนีกิเลสตัวที่ห้าเขาจะตีกลับทันทีกิเลสสองตัวนี้ต้องระวังให้มากหนึ่งเราจะต้องไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติ เวลาพาวนาไปมันมีผลสมรดการสำห ร, บรับท่านที่ได้มโ น, บบามามนที่แบบเก่ามาแล้วมโนที่แบบเก่ามาแล้วที่ทำมาแล้วไม่ต้องรอแสงสว่างให้ตั้งใจจับพระรูปรโฉม อ, องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีแล้วค่อยๆภาวนาแบบส บ, บายจิตจับลงให้ใจเขาออกคอสังคนได้จับมากเกินไปโดยไม่ต้องถอดชาน อย่างนี้มีประโยชน์ทั้งตัวเราทั้งบุคคลผู้รับฟั่งดันั้เวลาปฏิบัติผล ก, การปฏิบัติเนี่ยกำลังย่อมไปเสมอกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบารมีที่สร้างมาในการก่อนต่างกันตไนะ่ไปนับแปลงได้แน่คนที่ฉลาดมากเกินไปคือคือด็อดเตอร์ปิญญาวันนี้เรียกด็อเตอร์นะให้เกียดนะ ตัดตามตำดาเรื่อไอ้ดอกตัวเดียวมันสามารถสอนฝรั่งไปเป็นกําลังได้มันเองโผก่โผลโผล่โผล่โ่งตรงนี้มองไปดูที่ไหนได้มันแดงมั่งขาวมั่งเขาวมั่งแดงมั่งจิตตอนนี้พอดีสมเด็จพระพังกรท่านมาสมเด็จรูุ้ทีพังกรนี่เป็นพระที่มีกําลังลาบพุ่งแรงคล้ายๆกับอะไรล่ะ ไอ้รถลับหนึง่งลาบนะถ้าพุทธจพระพุทธเจ้าศพกำลังมาเป็นกลุ่มใหญ่แต่ออกแต่เบาแต่มาอ่อนนี่แรงฉันมาแล้วทั้งอาที่บอกดูไอ้ต๊อกสิแม่มันแดงมั่งขาวมั่งขามั่งแดงมั่งไอ้แดงน่ะปีติขาวนี่แดงลมใสไม่ใชเคลื่อนฉันเลยแนะนำว่าทุกคนถ้าจะไปบ้าน ถ้าไม่มีแก้วให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติแสงพระเจ้าใสเป็นปกติถ้ามีแก้วที่เขาแจกที่วัดให่ก็ดีหรือว่าจะไปซื้อแก้วลูกใหญ่ให้ใสที่ไหนก็ได้เอามันั่งเวลานั่งว่างกันนั่งดูภาวนาบ้างไน่ภาวนาบ้างแต่จําภาพแก้วเผอไว้บ้างหน่ยเผอบ้างตัวนี้แหละจะได้เร็วแล้วก็จับใส ทำไม่ปกติทุกคนนะอย่าไปทาเฉพาะยังวันนี้มันยังไม่ถึงเวลาจะไมไททำอยากจะถามว่าเวลาตายนัมันเป็นเวลาไหนเวลาไหนรู้ไหรู้คุณเตอเวลาหมดไม่เออถูกแล้วกกจะหมดเวลาไหนอะ <c oughs> ไอ้โคตรไม่เาต่อไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ต้องใช้ปัญญาอย่างเป็นสกายรี เป็สการีนะ่ะเธอเป็นลูกกมพระแม่ตายไม่ใช่หนิมีแม่มีแต่พอ่อพ่อออกลูกไม่ได้นางศรีก็ไม่ได้เรียนอย่างเราพเกิดมาอายุสี่หกปีเห็นพระครั้งหนึ่งมาสิบเก้าปีจเห็นพระอีกครั้งหนึ่งเห็นเห็นขี่มากนะ้ี <c oughs> แค่นี้นะเ่ยเธอเจอพระครั้งเดียว พระคือพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงทุกคนจงอย่าไว้ใจในชีวิตให้สร้างความดีและความชัว่วเพียงแค่นี้เทอก็จำจำแล้วก็ทำมาตลอดเวลาสามปีอีกสามปีพระพุทธเจ้าตัวบริสายโคตรสัตว์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 แต่ยังไม่เป็นปะโสดาบันมีคติไม่แน่นอนคติแปลเป็นที่ไปถ้าปัโสดาบันไปทางเดียวคือไปสวรรค์ไปโทงแล้วก็ไปนิพพานเลยไม่มีการย้อนกลับถ้าไม่แน่นอนจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปทงก็ได้นิพพานยังไม่ไปหรือว่าจะไปเป็นสัตว์โลกเป็นเปรตสุรก า, ายสติไฉก็ได้ที่เดียวไม่แน่นอนก็ท <c> ร <oughs> งทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอน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 ท่านถามว่าผ้า ก, กีนี่ดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเปรศการีเธอก็ตอบว่าไม่ทราบให้เจ้าค่ะท่านถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบให้เจ้าการท่านถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอก็ตอบว่าทราบให้เจ้าการท่านถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบไม่ทราบให้เจ้าการเฮ้ยโตเต้ ให้หน้าฟันจะร่วงนะมันปาเปิดคุณจะขีบไปด้วยนะเห็นไหมเป็นการล้อเลียนรู้แต่เจ้าถ้าคนเลวเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นสการีเธอเป็นคนมีบา ร, รมีมีปัญญาโดยเจ้าย้อนถามใหม่ว่า น, น้องหญิงการที่สถานโคตถามมาเธอจะมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบเธอหมายความไม่อย่างไงรเธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาจากบ้าน ก็ะองค์ทราบด้วยอำ น, น, น, นาจของพุทธายันแล้วแต่ที่ถามไม่ได้ไหมายควา ม, มอย่างนั้นนะถามว่าก่อนเกิดมาจากไหนหม่อมฉันไม่ทราบไปจากใครท่านถามว่าแล้วถามว่าเธอจะไปไหนก็ตอบว่าไม่ทราบเป็หมายความเป็นอย่างไงเ่งก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาที่นี่แล้วต่อไปจะไปลงทอหุกที่พ่อทอหกอยู่โระอคนี้พระ อ, องทราบแล้วแต่ว่าคําถามหมายถึงว่าตายแล้วจะไปไหนี่หม่อมฉันไม่ทราบ ที่ลงพรงถามว่าถ้าประธานคดถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอทราบเธดหมายความเป็นยังไงเธอตอบว่าการที่ทราบเพราะจําคําสอนของพระองค์ได้มาสามปีที่แล้วมาว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงอย่าประมาทแตชีวิตคิดสร้างแต่ความดีเพราะความความตายมีเวลาไม่แน่นอนเธอทราบตัวถามว่าาระธาคนคดถามเธอทราบเธอแล้วก็เธอตอบว่าไม่ทราบหมายความยังไง เธอตอบไม่ทราบว่าชีวิตที่จะตายเวลาไหนข้าวสายบ่ายเที่ยงกลคือกลงวันไม่ใ ส, ส่สัตว์โรงทรงรับรองคำตอบก็จะถูกต้องเธอต้เป็นโซดาบันเรื่องนี้ฉันพูดมาเกือบร้อยครั้งไอ้ด็อกเตอร์มันเป็นโสดากี่ครั้งเลยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นบ่อยๆแล้วมันก็หายโซดานะชักเบื่อในชะ่ไหมฉันเป็นแล้วกูเป็นโซดาดีกว่า ก็รวมความว่าการปฏิบัติเขายากโยมถ้าใครคิดว่าเราจะใช้เฉพาะเวลานั้นเวลานี้นั่นคือเป็นคนที่มีความประมาทมากยังเอาดีไม่ได้หรอกต้องใช้ทุกทุกเวลาให้เป็นประโยชน์ทำงานอยู่ก็จะคิดว่าไอ้งานที่เราทำเนี่ย ไอคนที่ก็ตายตายไปแล้วก็ทำตั้งแต่เครื่องทางานได้ทั้งตายงานมันก็ไปหมดเราคืนคิดว่าเราจะอยู่ต่อไปเกิดเปน็นนุษย์อีกก็ต้องมาทำอย่างนี่นี่แต่ความทุกข์แต่เราก็ต้องทำํำทำเพื่ออยู่เพื่อความปรยู่เป็นสุขตายแล้วเราก็ต้องเลิกกันนี้วิธีปฏิบัติตอนที่เขาบอกวิธีปฏิบัติให้เต็มกําลังก็งมีอยสองอย่างคำว่าเต็มกําลังในจะไปรอจิตพุ่งขึ้นนะ่ะ ต้องถ้าคนนี้ปฏิบัติได้เก่ามาแล้วนะควรใช้กำลังเดิมแต่ว่าเพิ่มโดยการทรงสมาธิให้ดีขึ้นนั่นคือใช้แก้วที่เคยบูชาไปแล้ววันนั่งดูเวลาดูแก้วเวลายามว่างๆภาวนาวันมะพธ า, าไปด้วยก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้ภานาหนักๆข้ามันเหนื่อยๆนี่นนก็ไม่ต้องดูแก้วแล้วก็หลับตาเลงแก้วลืองตาเงแก้วแล้วก็ล ริ่มตาดูแก้วหลับตาเนืกอขึงนแก้วหลับตาจางบ้างก็ลืมดูเวลางานก็ทํางานไปนานๆเข้าอจิตมันชินจิตนื้อึ้นแก้วมาเลยแก้สายดีเวลาทํางานอยู่นึกถึงแก้วออกมามาเลยทั้งนั้นมือทํางานจิตนึกถึงแก้วสห็นคัดใสดีอย่างนี้ก็ได้รต่ว่าแก้วพิวัติไม่มีไปเราหาซื้ลูกแก้วใหญ่ๆใสๆใสแก้วใหญ่ๆใส่นี่ต้องดัดปายไปด้วยนะ แล้วบ้างๆแล้วก็นั่งดูนั่งดูลืมตามาจําภาพได้ถ้านึกหลับตานึกแํนนน า, านัมมะพาธาก็ดูแก้วถ้าบางครั้งก็ไม่ภนาวนาก็ดูจําภาพแก้วอย่างนี้ก็ได้หรือไม่อย่างนั้นคนที้เคยได้มาก่อนให้นึกถึงภาพพระ พ, พุทธเจ้าไว้เสมอเห็นภาพพระเจ้าใส่เสมออย่างนี้เห็นนั้นทุกๆวันภาพจะเจ้าใสขึ้นตาน้าดัก นอกนาเข้าก็จะเป็นปฏิท่าขณะนตรแทนี้เห็นเป็นแก้วเฉอแก้วก็จะเป็นประกายขึ้นมาเห็นแก้วสายมากเก้าไรสายมากทลายจิตสอา่านมากเท่านั้นแล้วบางทีดูๆเพลินๆไปพุทธคัตไปอย่าดึงกลับไปเลยมันเปล่งกำลังถ้าขึ้นไปแล้วเห็นสว่างจ้าเมื่อไรนะั่นคือเป็นกําลังนิทานนี้เองนะการปฏิบัติอย่างนี้ ถ้าได้เต็มกําลังแล้วคิดว่าโราอย่าคิดว่าเราทําจบแล้วดีแล้วนะต้องทําไว้เสมอให้ชําชองถึงแม้ชําชองดีแล้วก็ยังไม่จบถ้าคําว่าจบต้องเป็นพระอาหารหันต์มีคนเคยไปพูดไปปฏิบัติวัดฏฐาทรงไม่กี่วันก็สําเร็จนั่นแหละลงเอเวจีแล้วสำเร็จอเวจีอมหันรักความลาหมาดเกิดขึ้นแล้ว ทยายยมชอบยิ้มแตกกูจบตัวเดียวก็พออีนี่มันเป็มาเรล่องงานมันลงหน้าเห็นไหการปฏิบัติต่อไปเบื้องหน้าและทำปฏิบัติพร้อมๆกันไปนั่งก็คือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจสองครวาทรงสินห้าห้บริสุทธิ์สาม จิตต้องการพริพพานเป็นที่ไปที่เดียวถ้าจิตทรงตัวได้อย่างนี้ทานทุกอย่างที่ได้ไม่มีคําว่าเสื่อมก็แค่ตรวจหมาเท่าเนี้ยกลับไปบ้านทําไมถึงเมื่อถึงบัวก็เสือกเอาศีลไป่ทิ้งเลยนอกบ้านออกมาจากวัดจะศีลหล่นเป็นแผงหมดที่เดินไปเจอศีเลเกื่อนหมดพราฉะนั้นออกจากวัดจะออกจากัสลาแล่ศีลหล่นจารัสลาเป็นแถววันนี้ได้ให้แขกไปจอง ออนอกบอกจีตัวร้ายมานะสิกำลังคุยกับเพลินตัวระวาดวันนี้บอกขอคุมเองเิงไม่เลือกเลยกำลังคุยกับเพลินลอแถมไม่สไม่รู้ว่าไอนี่วอะไรเปนหแล้วเป็นเจ็ดคะแนคุยไอจีนแล้วก็คุยไปด้วย แล้วเอ๊ะมนเอกไปอ้าวปาไปาไปาไ ป, าไปเอ๊ะเราดีมันเห็นมันไปเชิดชวนไอ้รวมลูกสวยเสียงร่องงานนิวรณ์ตัวที่หนึ่งที่หนึ่งนตัดนิวรณ์ตัวที่หนึ่งไป <c oughs> ทุกคนจำไว้นะใครมีเที่ยใช้แก้ป็นประโยชน์นะแก้ที่ให้ไปมีทั้งที่คุณสมบัติถ้ามีความเคารพดีต้องการอันตรายก็ได้ช่วยคุณธรรมได้สมาธิพิภส น, นาญาณก็ดีได้ทุกอย่าง แกโชคดีนี่โชคด้วยใช่ที่สิ่งนั้นไอ้วัดท่านซุ้มไม่มาดีกว่าเพะเสียตังค์ให้หนูไอ้อความจริงมากั น, นี่นะไม่ต้องเอากระตังกันมาก็ได้ไม่เป็นไรมาปฏิบัติสินะบ้านไม่โดงเช่าเข้ามาเราซื้อให้ก็ไม่เลยคืนกระตังแกโชดีนี่โชคด้วยเจงโชคคุณรับรับรัแถลไปนะเอกระจาแหลกไป อ้วนไปได้ไม่รู้วนี่เรืงใหญ่เรงใหญ่กำลังใหญ่เป็นไงบาไหวหมะใช้กำลังเด้ฮะันนั้นะจำไว้ท่านานรู้ใช้ใช้วิธีนี้นะเองก็นั่งอีู่หน้าพระเองก็นั่งดูแสงไฟที่ดูอ้อเอาไว้้าใสสายสุดวงสุไปตั้งในขนาดเ้าดูจะก็ดูใสน่ยนะ ใส่ไงแก้วดีกว่านะเอาพวกอะไรไอเชิงเทียนนะแต่ว่าใช้หลอดเทียนอเทีย น, นไน่ใ่เลยหลอดเทียนรเภทระเภี่าแรงมันดีสัส้นไอ้นั่นเราใชดีนะูนั่น้ไอใยเทียนยเ่ยอย่าไปดูมันเป็นนนเงียนี่ห้แรงมันใส่นัน้ได้เดกดูแว ไอ้ยอย่างนั้นดีก็ดูใจใสมากอยากดูได้ก็โก็เรื่อยๆมันจะชินชนหลังนึกเออเห็นแสงไฟเห็นแสงไฟใครทำเพชรหลน่นมีเยอะของมั้ยไม่มีเยอะของตกเป็นของหลวงอย่างไม่เจ้าจอิเทยลาดเนยคุณสมพรดูต้นไม้มีใครมีส า, ม, า, ม, ามีไหม มีพ่อมีแม่ไมไม่มีไม่ไ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีตกเป็นของหลวงโอ้ก็ไปเป็นเมียชิตแห <c oughs> <c oughs> มย่งนั่นก็สวยเต็มทีดันเป็นมีอพระจงดินรวยไม่ใช่ีนโจนเนี่ยไอคนโง่ไม่เอาไม่เอาอาจารย์ให้มีความกตัญญูดีแต่เรียนไม่ดีเปนเมืองตกศีลา แบุญมันไม่เท่ากันไอ้เมียนอนบนเตียงมันก็นอนข้างลังเมียลงบนนอนข้างล่างมันก็ขึ้นบนเตียงมันร้อนเดินมาด้วยกันมนทำงานจะห น, นีเมียได้ก็เลยให้เมียขึ้นไปกีหารูดหลวงพ่อรูอร ป, ปอะไร <c oughs> มาเดือยต <c oughs> อนขึ้นไปแรกมันก็วิ่งหนีเลยแล้ว <c> ค <oughs> <c oughs> น, นมันไมีไปไหนวั <c oughs> <c oughs> ดีพระเจ้าเทรราชใส่โมโหมโหโมโหดิบดิบทีสด ตอก็คือมันจะน่ยังมยังอมก็ดิบๆสดๆนะถามเอสดาไข่ก็ก็ที่โสดใช่ไหไปไปสียัดีแน่พอไสก็ ด, ดีแน่มีของไหไปถามคมมุ่ไมมีัวมีไหมไม่มีหัวหนีไปแล้วไอ้หัวก็ไม่ัว <c oughs> เออถ้างั้นมันมีของตัวเป็นของหลวง <c oughs> แต่หลวงแม่เมืนกันนะแต่ความส า, ามเป็นเท่าไหรจะได้เินกินเยอะเลยเอ อ, เ อ, อใครมีสามีบ้างใครไม่มีสามีเป็นของหลงวงเลยจะเป็นของหลวงตาไม่ใชนเรื่อ ง, งอะไรเอ อ, เ อ, อดีไ อ, อเรนนะการฝึกไปแล้วอย่าประมากทชีวิต ไอ้ดีเก็บอกว่ามักี้นี่ต้องจำไอ้นนี่คุยกันมักีในใช้ไม่ได้นะไม่ว่าไปนันสมาคมไหนจะทำแบบนั้นมันเรวเข้าในที่กลุ่มคนใช้เสียงดังอ่ะต้องเซงใจชาวบ้านเขาใครก็คุยกันบางจะได้ได้เรื่องในเราถึงแม้ใครไม่คุยกันเขาก็เกลียดเราไอ้นนี่เป็นละที่ที่ใช้ไม่ได้จำไหมนะ ไม่ใช่แต่ธรรมะกันโลกเขาก็เกลียดเออหนูมาไงได้เค้าแล้วนี่ไงล่ะอย่าไปอนดับแรกอย่าลืมคุณพระรัตนตรยัยทารเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอะรอยิยสงฆ์นี่ให้มันจริงๆอย่าหลอกพระหลอกพระพระทะ้งพระทั้งกันหลอกเอาการหลอกพระสมัยก่อนศักดิ์เจ้าว่าทำทางเคารพ ไม่มีความจริงใจประโยชน์ที่จะเึง่ได้กับเราก็คืออบายภูมิและก็ปรการที่สองเราต้องการความสุขอันดักตำ่ำก็คือต้องทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้าระบบข้รองในสินห้าข้อใดข้อหนึ่งจงจำไว้ว่าเรามีหวังลงนรกแน่ ไอ้นี่ ไ, ไคู่ไม่ได้หลอกความจริงวันนี้ฉันเองเงก็เดินมาคืไหวลงมาเลยเขาต้องมาคลองมานะลูกก็ไม่รับแขกวันนี้วันแล้วทั้งแขกทั้งจีนทั้งไทยไม่รับนนั้นอนะ่ะเพราะมันไม่ไหววา น, นี้ป่านนี้ยังสมอยู่เลยเมื่อคืนนี้พอดีเมื่อวานนี้หลวงปู่ท่ายาไปโป้ไว้ให้พอดีเบา <c oughs> แต่ว่างานที่ฉันไม่ทิ้งก็คืองานกรรมฐานการจเจริญพระกรรมฐานเราย็ยนหลอกตัวเองถ้ายิงหลอกตัวเองเพียงใดเรายิ่งลงนรกลึกมากอยนั้นเพราะว่าท่านลงตวนว่า้นจะําความดีเจ้าแม่แท้จริงเรามันจะ ด, ดีการไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเทีวสวรร์นรกได้เป็นของดีสำหรับเรา <c oughs> แต่ว่าจะลืมว่าขณะที่เราไปเที่อสวรรค์ที่เราไปเที่อนิพนธเวลานั้นจิตเราสะอาดเวลานั้นเราเคารพในศีลเวลานั้นเราเคารพในพระไตรสนาคมไอ้ในี่ใครเคารพดนเสียงเค้ามีเทศื่องรือเปล่าไม่ะลืรไรเราเคารพทั้เลยสงฆ์เราถ้าเราเลิกแล้วเราก็ไม่เคารพในศีลไม่ไม่ไม่เคารพในพระไตรสนาคม ความดีส่วนนั้นก็ขาดไปจากเราเพราะก็เหลือแต่ความเล็วเราก็เทียบตัวเราเองว่าวันหนึ่งเราดีมากเท่าไรเราเร็ว่าเท่าไรถ้าเรวมากกว่าดีก็ทำมเวลากใกล้ตายก็เออนึกถึงความดีก็รับผลความดีแค่ชั่วคราวหมดผลความดีก็พุ่งหลาวลงนรกไป การเกิดเป็นคนต้องกลับเป็นรนรกก็ต้องถือว่าเรวเร็วมากเกินไปเป็นมนุษย์นี่ไม่ไม่น่าอยากกลับลงอบายะคูอบายะคูมีสี่นรกเตตเตทอสุรกายสัตว์ดิฉันมันควรอยากก้าวหน้าไปอย่างน้อยก็สวรรค์อยากสวรรค์ไม่ควรกลับไปอยน่นอนมนุษย์อีกคนอยางเรวไปเป็นลมและก็ต่อปิพัน์เลยนยี่คือการสมควร การทําความดีไม่ได้ทำยากทำความชั่วนะมันยากกว่าความดีมง่ายหรือเปล่ยถ้จะกินปลาจะ ต, ต้องไปซื้อเบ็ดไปหาเหยื่อไปหาขันเบ็ดไปหาที่ตกปลาไปนั่งทรมานใช่ไหมแล้วก็ก็ได้ปลามาแล้วไปไหนตันรกถ้าราจะไปสวรรค์ไปไปชมปฏิภานแะล้วก็นอนในม้ง แค่นึกถึงพระพุทธเจ้จาในวความเคารพวยความจริงใจเราก็ไปสวรรค์ได้ถ้าออกจากมุ่งทำลายศีล้วก็เดินทางจะป็นนรกต่อไปก็ศีลห้ามันเป็นของยากนั่นรือที่เราจะปฏิบัติทุกคนถ้าใครว่าเราเลวเราเกลียดแต่การละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งนี่มันเลว เราทำความแล้วอยู่จะให้คนอิ่มว่าเราเป็นคนดีมันใช้ได้ไหมมันก็ดีไม่ได้เราต้องการดีเราต้องทำตนเป็นคนดีไม่บอกว่ามีความจำเป็นไอ้สิ่งที่มันไม่จำเป็นมันมีถมเถิดไปอาชีพมันจำเป็ น, นหรือว่าต้องไปฆ่าแจกัจิยนยมีจินมีชัต้องไปขโมยเขาต้องไปไปชูหัวเขาเมียเขา ต้องโกหกหมดเท็จต้องกินสุรายาเมาถ้ามันรวยได้ห้าอย่างเนี้ยรวยไหมรวยอาวัยชีได้แน่เป็นมหามารกมหาเศรษฐีนลกวนี่ก็ต้องใจไม่ว่าอะไรมันเลวอะไรมันดีแล้วก็เวลาตายไปแล้วจะไป น, นั่งหวังแม่ไทยเขาช่วยนะมันไม่มีโอกาสหรอก การหวังให้ญาติอุทิศส่วนกุศลจะไปนึกว่าเราจะมีผลญาติที่ทําบุญให้เราแล้วเขาทําบุญส่งให้เราแล้วก็ทําบาปส่งมาให้เราเวลาเขาจะเริ่มทําบุญเขาก็เริ่มฆ่าสัตว์เริ่มเลี้ยงเหล้าแนี่ยเขาสร้างบาปนั้นไม่มีผลในวันนั้นงานนั้นทั้งั้นไม่มีบุลอนนี้ส่งส่งมาให้เราถ้าเรารับก็หนักกว่าเดิมผีก็คงไม่งงเหมือนกันใช่ไหมน่ะกระโดงความว่าอย่าหวังพึ่งคนอืน่น ต้องจำพระพุทธภาสิทที่พระเจ้าทรงจัดว่าอัตาหิอัตโนนาโถต น, นย่อมเป็นที่พึ่งของตนโูฮินาโถปโรสียาบุคคลอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งได้อาตาหิสุทันเตนะถ้าเราฝึกฝนตนดี้ีใส้นาถังนักิติตุนอคังเราจะได้ที่พึ่งที่บุคุณอื่นได้โดยยากนั่นก็คือการฝึกฝนตนเองช่วยตัวเอง แล้วก็ถ้าบางคนจะสงสัยว่าบาปจะมาทำมามากแล้วจะคุมตัวไหมแล้วก็จงจะ่าลืมว่าพราะอาหารหันตุกองค์ที่ปฏิธานท่านยัยงมีบาปเหลือข้างหลังอยู่หลายเกวียนแย่จีบนะอย่างองคุยมานิสหลายหลายตันตามบีกกระกระโจนี่หลายหมื่นตัน แต่ทำไมท่านยังไปนิพพานได้ก็คือว่ากำลังความจิตความดีขึ้นมาสู้กับความชั่วถอยหลังไปความชั่วมันมากมากก็ช่างมันตอบี้่ไปกูทำแต่ความดีในเวลาจะเมื่อจิตตั้งไว้จะเฉพาะความดีที่พระเจ้าทรงจัแล้วขึ้นชื่อความชั่วที่ผ่านมาแล้วอย่าตามนึกถึงมัน เรคิดว่าเราเคยฆ่าสัตรเราเคยรักรัพ์เคยพติรเคย โ, คโหกเคยดุราเมไรไปนั่งจามันไว้ไอ้ตัวนี้แหละไอ้ห้าตัวได้ยิงไปกว่านี้มากกว่านี้ก็ากาตามเราทำบุญมากทั้งแล้ก็ตามทีเวลาจะตายมาันจะแฝุกเข้ามาทันทีมันจะดึงลงมาลกเจ็บเบื้องจ้าสอนใหเราจเจก คำว่าอนุสติให้ตามนึกถึงความดีไว้โดยเฉพาะให้ลืมความชั่วใช้จิตมันชินคำว่าชานก็คือชินให้มันชินด้วยอารมณ์ชินนึกถึงความดีอย่างเดียวอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี้ใช้ได้เลยถ้านึกมั่นคงใ น, นพระเจ้าองเดียนใช้ได้เลยคนที่มั่นคงใ น, นพระเจ้าฉันจะตั้งเจตไปอยาก นันเมื่อเวลามีความมั่นคงพระเจ้าแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็ทําแล้วก็สสงเหมือนไรคนที่มันจะมาวัดท่าสูงอ่ะมันเดินทางมันจะาไหนจากกรุงเทพบ้างจากท่าลานบ้างจากร้านท่าบ้างยังไงวะที่ไหนก็ตามถ้ามันเดินมามันตั้งใจจะมาวัดท่าสูงกันก็บดงเ อ, นอานาขันหมดหมดแรงพักตามทาง ้า ก, กินกระหนุกจ้างเขาบ้งบางเจ็บนั่งเจ็บนั่นหนังกินบ้างพอมีแรงมันก็เดินทางต่อกลับมาไม่ทันถึงโล ก, กุรีมัก็หมดอีกแล้วมันก็พัก้า ก, กินพ อ, พอมีกินพอมีแรงก็เดินทางต่อก็ถึงวัดท่าเสือท่างนี้ก็เหมือนกับคนที่ตั้งใจปฏิพาน์ตั้งอารมณ์ไว้จุดเดียวว่าตายจากชาตินี้เราขอปฏิพานจุดเดียวอารมณ์แรกท่าอ่อนมันก็จะไปเกิดบนสวรรค์ ถ้าถึงสวรรค์ไอจิตโดวนั้นมันก็ตกท่านจะปาิพันธ์ก็หยับไปเป็นภูมิแล้วก็ปาิพันธ์ที่เราพูดก็อย่างที่เรียกว่าความหวังไกลนะตอนนี้ต่อไปนี้ในกลับนี้ความหวังปานิพันธ์ขอเรามันใกล้ามากทั้งนี้เพราะอะไรพราว่าในกลับนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาอีกหกองค์ไม่ใช่หมดแค่พระศรีอั ถ้าตายจากชาตินี้แล้วไปแล้วพับไปสวรรค์บางถ้าจิตตั้งคนิพระนครถ้าเพราะเพราะศีลท่านศีลท่านตรัสเราปเทวดาและพรมันมีความเป็นสุขฟังเทศจบเบื้องหลัน ท, ทันทีแค่นี้เอง ส, สองไม่ยากนั่นขอทุกคนนั้นส่งความดีไว้นะตั้งใจรักษาความดีไว้ชินห้าในอดใจไปว่าเราต้องทําได้อยคิดว่าเราจะไม่แก่ ก็จงนึกถึงข่าวตามความจริงไอ้คนที่มาเกิดที่หลังเรามันตายก่อนเรามีบ้างไหมเยอะใช่ไหม่นเกิดรุ่นเราข่วาวเดียวกับเราวันตายก่อนเราไปหลายปีแล้วกว่าเยอะต่วาก็เลยเราอยู่กี่วันฉันยังไม่แกทท่ที่จะทำนู่นที่จะทํานี่ทุกยังไม่ตายทําไปเถอะสร้างสมบัติพระสถานทําไปนีใครก็ว่าหาจินตกำรพุทธิธรรม